การนำสักการพระอาจารย์พระอาจารย์ครับวันนี้คนไปบินไปใส่บาทเยอะไหมครับผมอันนี้หกร้อยสองคนโอวันนี้เยอะเป็นพิเศษวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันพระเนี่ย<ร>ถ้าวันพระตรงวันเสาร์เที่ยงคนก็จะเยอะครับพระอาจารย์ครับวันนี้จัดรายการครั้งที่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับวันนี้อยากขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องกุศลกรรมครับการกระทําที่เป็นกุศลในทางพุทธศาสนา คำว่ากุศลนี้ท่านแปลว่าความฉลาดการกระทาที่ที่ฉลาดนั้นท่านแสดงไว้มีอยู่สิบประการด้วยกันกุศลละกามกุศลกรรมบวสิบรรรรแบ่งเป็นสามส่วนกุศลละก ร, รมทางวะทางกาย มีอยู่สาคุศลกรรมทางวาจามีอยู่สและกุศสกรรมทางใจมีอยู่สามุศนรกรรมทางกายก็ได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่รักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดโปรนยนีนี่คือกุศสกรรมทางกายคุศลกรรมทางวาจาก็มีอยู่สี่ คือการพูดความจริงไม่พูดปดสองพูดวาจาที่สุภาพเรียบร้อยสามพูดวาจาที่มีคุณประโยชน์มีสาระและสี่พูดวาจาที่ให้รักสามัคคีกันไม่ให้ทะเลาะแตกแยกกันอันนี้ก็ กุศลกรรมทางวาจามีอยู่สี่กุศลกรรมทางใจก็มีอยู่ส า, า ม, าาม 3. ได้แ ก, ก, ก่การไม่โลภการไม่กลัวและการไม่หลง น, นี่ก็คือาากุศลกรรมทั้งสิบประการด้กันที่แบ่งเป็นสามส่วนกายวาจาใจถ้าปฏิบัติตามีได้ ก็จะไม่มีผลเสียหายเกิดขึ้นกับใครมีแต่ผลดีมีแต่กิดคุณกิดประโยชน์ทุกวันนี้โลกเราที่นุ่นวายกันครับเพราะไม่มีกุศรรกรรมีอกุิศรรกรรมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดประเพณีมีการพูดป่มีการพูดคำหยาบมีการพูดเรื่องไร้สาระพูดเพ้อเจ้อ แล้วมีการพูดยุ้ยงให้เกิดความเกลียดชังแต่แยกสามมิตรกันทางใจก็มีแต่ความโลภความโกรธความหลงโลกเราทุกวันนี้นไรวุ่นวายกัเพราะแทนที่จะมีกุศลกรรมสิบประการกลับไปมีอกุศลกรรมสิบประการแทนถ้าทุกคนในโลกนี้สามารถปฏิบัติกุศลกรรมทั้งสิบประการได้ โลกของเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุขไม่มีไม่มีใครจะต้องเสียหายเดือดร้อนจากการกระทาของผู้อื่นเพราะทุกคนตั้งอยู่ในกุสวรรค์สิทธินี้ก็ดอาารยครก็คล้ายๆกับ4ี้าเลยใช่ไหมครับก็ศ5้าแล้วก็ทางใจก็มีอยู่สามพฤกิเลาไม่โลภไม่กอนไม่หลง แต่สินห้านี้มันยังไม่ละเอียดคือทาวาจาเราทั้งสินห้ามีแค่ข้อเดียวคือการไม่พูดปดแต่ถ้าเป็นกุศลกรรมนอกจากไม่พูดปดแล้วต้องไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพราะจอไม่พูดโยโยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีจะให้เกิดความเกลียดชังกันจะเปนยบบอกคนนั้นให้เกลียดคนนั้นเก็ียคนนี้ อันนี้จะไม่มีในสิ่ห้าสี่ห้าสีแปดนี้เอาเพลงแต่การไม่พูดปดแต่ทางก็ทางกายนี่เหมือนกันคุณสมรรถกรรมทางกายเหมือนกันคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเภณีแต่ไม่ได้รวมถึงนิการเดชชรายาเมาการเดชชรายาเมานี้เรียกว่าเป็นบาเยามกุก เพียงแต่ทำให้ขาดสติยังไม่เป็นการไปทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนอกจากตนเองคนที่เดือบจะลายยามาจะบอกว่าท่านเดืเนอบแล้วนอนหลับไปนอนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไปทําให้การเสียหายแต่ก็เกียดขวางความเจริญของตนเองเื่อนอนแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ทําเทศฟังธรรมไม่ได้ว่าเป็นการ สร้างอุปสรรคตีขวางการเจริญทางทา ง, ทางธรรมะของตนบางคนคิดว่าเรากินแล้วเรานอนนี้ได้แต่มันก็จะทำให้เราไม่เจริญอาจะไม่สามารถไปภาวนาได้ไม่สามารถไปฟังเทศน์ฟังธรรมเป้นตอนนี้ถ้ากำลังลือบสลาเมาอยู่จะไม่สามารถมานั่งคุยกันได้ฟังกันได้รู้เรื่องว่าเรากราลังคุยเรื่องอะไร มันก็ถึงแม้ว่าไม่ไปทำให้ผู้อนเสียหายเดือร้อนแต่ก็เป็นการกีดกันความเจริญของตนเองไม่สามารถทำกิจการกิจการที่สูงว่าคือการภาวนาฉะนั้นก็อาจารย์ ครับกําลังการเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างไรอันนี้ส่งของการที่มีกูกรูศรัทธามาบทสิบเนี่ยครับอันนี้ส่งนอกจากทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วมีอันนี้ส่งที่สูงขึ้นไปได้อีกเยอะเลยือทุกคนก็เป็นผ้าอาหารนั่นนี่ไม่ร่วมไม่กดไม่หลงลอก็เป็นพูกสิ้นกิเลสก็ทำให้ทุกคนในโลกให้เมันพวกสิ้นกิเลสหมดทำให้ร่วมไม่กดไม่หลงล่ากิเลสตัณหาได้ก็จบนะนะ ก็ายู่เป็นสังคมหลวงพ่ออรหันต์ทั้งโลกในเบื้องแรกคิดว่ากุศลกรรมบวเนี่ยเป็นธรรมมสสำหรับแบบการปฏิบัติเริ่มต้นที่แท้แล้วเป็นถึงขั้นพระอรหันต์ได้เลยนะครับอาารย์ก็ถ้าขั้นกายขั้นวาจาก็ยังอยู่ในขั้นขั้นศีลอยู่ขั้นต้นอยู่แต่พอไปถึงทางใจเนี่ยถ้าทําได้ละกิเลสเอาลูกกดลงได้ก็เป็นพระละ ยากทางใจยากต่อการรับความโลภความโกรธความหลงแต่ทางกายก็ยากแล้วสําหรับคนทั่วไปในสังคมในโองนี้มีการรักษาศีลห้าได้กันอย่างเคร่งครัดบ้างแล้วมีใครรักษากุศลกรรมทางกายทางวาจาวาจาก็พูดสืภาพเรียบร้อยไม่มีการพูดอ คำหยาไม่มีการไม่มีการพูดเพ้เจอคุยอะไรก็คุยแต่เรื่องที่มีสาระมีวิชาเกี่ยวกับความรู้ไม่โดยเฉพาะความรู้ทางธรรมคือการสนทนาธรรมกันันแล้วก็จะไม่พูดให้เกิดความแตกแยกสามโอเไม่ให้ยุยงให้คนเกลียดชังกัน อยากจะพูดให้ให้ให้อภัยกันให้ความเมตตาต่อกันไม่ถือถือเทษกอดเชิงกันทั้งคมจะได้อยู่กันอย่างร่วมเรียนเป็นสุขครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้เข้าใจชัดแล้วครับว่าไปถึงฟั น, นิพานได้เลยจากกุศลและกรรมาหมดสิทครับถ้าทำางทำกุศลกรมทางกุศลกรรมทางใจได้ก็เป็นพระ ไม่รวมไม่โกดไม่หลงอาขอโอกาสถามคำถามจากเ พ, เพื่อนเพื่อนนะครับคุณวิสาครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันในชาตินี้ตายไปจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ปฏิบัติต่อจนบรรลุพระอรหรันตทันพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใหม่ครับท่านไม่ทำไม่สำคัญนะเพราะพระโสดาบันท่านมีท่านมีแผนที่ในใจของท่านแล้วท่านไม่ต้องให้มี ถ้ามีพระพุทธพระธรรมอยู่อยู่ในใจแลนะถ้ามีโยงตาเห็นธรรมเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนล่าสังอยู่ในใจไม่ว่าจะไปเกิดพบไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็ตามใจนี้ก็จะเห็นเห็นทางสู่การหลุดพ้นเห็นอริยสัจเห็นวิธีล่าสังโยที่ยังเหลืออยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องอย่างผ้านอ์นี่ก็เป็นภ้า พระส า, าสดาบันตอนที่รับใช้พระพุทธเจ้าอยู่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าตอนนั้นพระอนุนก็เป็นพระสาวนาบันแต่พระอนุนไม่มีเวลาที่จะไปทําความเพียรไม่มีเวลาไปเปริเว่เพื่อไปรัสังโยชน์ที่เหลืออยู่แต่พอพระพุทธเจ้าตายไปพระเจ้าก็ส่งถบอกพาพระอนุนก่อนจะจากแปว่าอ น, นุ์เดี๋ยวเธอสามเดือนเธอก็บรรลุเป็นพระหลานได้ ในที่ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนเพราว่านหนุนนี่เห็นทางแล้วเพียงแต่ยังไม่มีเวลาไปปฏิบัติอย่างเข้มข้นเท่านั้นเองเมื่อแต่มาคอยรับใช้พระพุทธเจ้าคอยดูแลพระพุทธเจ้าถพระรพระุทธเจ้าเลยไม่มีเวลาที่จะไปเปเรื่อยเพื่อที่จะไปเจริญมรรคที่จะไปละสังโยชน์ที่เหลืออยู่เช่นสุภาพกรรมฐ า, านเ็นต้นแต่พอ ไม่มีพระพ เ, เจ้าต้องรับใช้แล้วมนเวลาว่างตกงานแล้วทีนี้ก็เลยแน่งความเพียรสเดือนก็บรรุุไป็นผ้าหลานได้โดยต้องไม่ต้องมีพระ เ, เจ้ามาสอนอีกต่อไปพอรู้ทางแล้วรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรรู้ตายแล้วรู้อริยสัจสีแล้วว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ในการละสัโยชต์ทั้งหลายมีฌานมีสมาธิแล้วมีนปนาสมาธิแล้ว ก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ต้องต้องทำให้มันปรากฏขึ้นมานต้องทำให้อสุภาพปรากฏขึ้นมาในใจเพื่อที่เวลาเกิดการมาราคะก็จะได้ดับการมาราคะได้ทันทีคุณวีนาครับคนที่เคยเป็นฆาตรกรแต่กลับใจหันมาปฏิบัติธรรมฟังธ ร, รรมรักษาศีลห้าศีลแปดทำทานมีโอกาสไม่ต้องไปอบายไหมคะมีครับพะ ถ้าองคุลิมาเนี่ยท้าเป็นตัวอย่างถ้าเคดศึกษาเรื่องขององคุลิมาเนี่ท่านฆ่าคนถึง999คนแล้วท้านกเอาตัดนิ้วของแต่ละคนมามาม า, มาทำเป็นสร้อยคอห้อยค อ, อ ย, อยในคนเดียวท่านก็จะครบเป้าหมายคือท่านถูกอาจารย์หลอกว่าถ้าอยากจะบรรลุธรรมขั้นสูงนี้ต้องฆ่าคนหน่งยว่หนึ่งพันคน องคุลิมานก็เลยเชื่ออาจารย์แล้วก็ไปฆ่าคนเหลือเหลือคนเดียวตอนเจอพระพุทธเจ้าอยู่อคนสุดท้ายคือพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็พยายามไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงมีใช้ทรงสแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทำให้องค์ุลิมานนี้วิ่งไล่ไม่ทันแต่วกระทั่งองค์ุลิมานนี้เหนื่อยตะโกนออกไปว่าท่านท่านอย่าวิ่งเร็วนักสิข้าพเจ้าวิ่งตามไม่ทันท่านเลย พระเจ้บาบอกว่าเราไม่ได้วิ่งเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดองคุคอิมรนก็มองว่าอท่านหยุดแล้วทำไมผมตามท่านไม่ทันพระเจ้าก็บอกว่าเราหยุดจากการจากการความโลภความโกรธ ค, ความหลุนพอองคุณอิมานได้ยนินก็เกิดสติขึ้นมาก็เลยถามพระเจ้าว่านี่เหรอคือวิธีที่จะทําทให้บรรลุวัคคุณได้ผ่านพระเจ้บาบอกใช่ ต้องฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าคนฆ่าคนไปตกนรกในถ้ากิเลสแล้วไปนิพพานพอไปถึงนิพพานแล้ว mm hmm. ก็ไม่ต้องไปตกนรกอีกต่อไปถึงแม้จะได้ฆ่าคนมามากน้อยเท่าไหร่ เ, นะเพาราะเป็นชาติสุดท้าย้วชาตินี้ของพวกเราองคุลิมาเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> ถึงแม้กลับมาเกิดใหม่ถ้าสมมติว่ามนุษย์แค่ขั้นโสดาบันก็ปิดประตูาบายได้ <c oughs> แต่ตอนที่เป็นโสดาบันก็อาจจะยังโดนกรรมเก่าตามมาจัดการอยู่ใช่ไหมครับใชถ่ถึงเมื่อตอนที่เป็นท่าใน ต, ตอนนี้ตอนที่ยังไม่ตายนี่ก็ถูกชาวบ้านก็ก็เห็นเคว้งใส่อะไรชาวบ้านที่เขาจำได้วคนนี้เคยมาเป็นโจรมฆ่าคนในบ้านเก่านี้ยเขาเห็นก็ไล่ฟิง่งไล่ตี ถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็ยังต้องรับผลของกรรมที่ทาไว้อยู่แต่พอไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่ไม่มีใครจะไปรับผลทางร่างกายทางใจก็ไม่มีผลอยู่แล้วเพราะใจไม่ทุกกับความตายของร่างกายอย่างพระโมคคัลลานะท่านก็ต้องถูกเขาฆ่าตายเพราะกรรมเก่าของานแต่ใจของท่านไม่ทุกกับความความตายของร่างกาย แต่ท่านไม่ใช้อิทธิปฏิหารเหมือนพระพุทธเจ้าท่านไม่หนีถ้าบอกหนีก็เดี๋ยวก็ว่าต้องหนีได้วันนี้พผ่งนี้ก็ตามมาใหม่ตามได้ที่เขายังไม่ได้ฆ่าเราเขาวก็ยังจวไม่หยุดจนกว่าเขาจะได้ฆ่าแล้วเราเาก็าจะหยุดท่านก็เลยขี้เกียจหนนะีก็ปล่อยให้เป็นไปตามตามกฎแห่งกรรมไปท่านก็เลยถูกเาฆ่าตาย แต่ใจของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายใจยของท่านเฉยๆสัตว์ว่ารู้คุณแว่นครับเคยมีพระหนุ่มนิมนต์หลวงตามหาบัวคองท่าขันตลอดหนึ่งกับหลวงตาแสดงท่าทีเหมือนโกรธแต่จิตท่านยังมีเมตตาสั่งสอนว่าไม่มีใครอยู่ตั้งกับทั้งกันได้ ส่วนคนที่ไม่เข้าใจคิดว่าพระอาหารหันทําำไมยังโกรธอย่างนี้ใช่ไหมครับคําว่าโกรธนี่มันเป็นเรื่องกิริยาคือกิริยานี่มันเป็นกิริยาแต่ ใ, ใจนี่ไม่มีความโกรธแต่บางทีก็ต้องแสดงอาการให้เห็นว่าไม่สมควรอะไรอย่างนี้ก็ต้องแสดงอาการให้เขารู้ว่าเป็นสิ่งที่ท่าน เป็นการเป็นการบอกเล่าให้ฟังว่ามันเป็นการไม่ถูกแต่ใจของท่านถ้าไม่ได้โกรธคนที่ไปพูดกับท่านแต่อย่างใรเปนากกับกิริยาเฉยๆไม่มีอารมณ์ที่แฝงมากับอากกับกิริยาอันนั้นเป็นการเล่นละครพูดง่ายๆนะเวืาอเราเล่นละครเราแสแงดงบทโทนและค่าคน แต่เราก็รู้ว่าเราเป <BE> ็นอย่าเล่นละครเราไม่มีความรุนแรงต่อผู้ที่เรากําลังแสดงความรุนแรงด้วยแต่ปลาที่อยู่ด้วยก็กลัวมากเลยนะครับอาไม่ต้องแสดงมาเป็นแต่ให้แม่ท่านกกลัวนะแค่เห็นแม่ก็กลัวเลยแล้วัวแเมื่อกี้ถ้าเดินไปเดินไปตามทางแล้วพอดีท่านเดินมานี้ถ้ามีแยกไหนหลบได้ก็หลบไปเลยไม่อยากไป ไม่ต้องไปยากเป็นพระเทวนาถซึ่งเดินสวนทางกับท่านพวกเราที่อยู่นอกวัดนี้เห็นหลงตาแล้วแบบเห็นแล้วท่านเมตตา ม, มากอะไรอย่างนี้นะครับอาจารย์คนละอย่างกันเนี่ยแตเราท่านอยู่นอกวัดนี่ท่านจะเมตตาแต่เวลาอยู่ในวัดนี้ท่านจะเขี้ยวเข็นเอาพระเนี่ยให้อยู่ในกรอบในในระเบียบนะถ้าท่านเมตตาก็เดี๋ยวก็เละเทะ จะไม่กลัวไปน้าไม่มีความเกรงใจท่านเียมีครั้งหนึ่งครับอาจารย์ผมผมเป็นหมอใหม่ๆครับแล้วหลวงตาผู้พูดในการโรงพยาบาลบอกให้ผมไปขอรถจากหลวงตาคันหนึ่งครับอาจารย์หลวงตาไปเทศที่ไหนไม่รู้เขาจำไม่ได้ละแล้วบอกให้ผมไปตามถ้าเจอหลวงตาแล้วให้ขอรถพยาบาลคันหนึ่งไม่มีโอกาสเข้าไปถึงท่านเลยไม่ไดขอเต็มเลยครับอาจารย์ไม่ได้ขอไม่ได้ขอขอืม คุณวันเพนครับกาบเรียนถามเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยไม่คาดหวังผลพยายามสร้างเหตุให้ดีขัดเกลากิเลสแก้ไขจริตนิสัยที่ไม่ดีฝึกสติสมาธิปัญญาหมั่นระลึกถึง พ, พระรัตนตรัยกับอาจารย์เมตตาให้แนวทางครับเการกระทำอะไรก็ต้องหวังผลนะครับไม่มีขายไม่หวังผลนะการหวังผลได้ไม่เสียหายตรงไหนแต่อย่าหวังผลโดยที่ไม่ไม่ได้สร้างเหตุให้เกิ ด, กดผลเนทะ่านั่นเองเราต้องการไปมั่ ไปมักผลที่ผานแล้วก็พยายามขัดเกลากิเลสฝึกสติสมาธิปัญญารักษาศีลงทำบุญทำทานผลมันก็จะตามมาการที่หวังผลที่ไม่เสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่าอย่าหวังผลอย่างเดียวโดวยไม่ไม่สร้างเหตุที่จะทําทให้เกิดผลอย่างไปที่ผานแต่ไม่ยอมนั่งสมาธิไม่ยอมเจริญสติไม่ยอมเจริญปัญญามันก็ไปไม่ได้ หวังก็ไม่หวังก็ไปไม่ได้มันไม่อยู่ที่ความหวังผลนะมันอยู่ที่การสร้างเหตุที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาถ้าอยากจะได้ผลคนเราทุกคนทําอะไรก็ต้องมีต้องมีมีเป้าหมายว่าทาเพื่ออะไรกันใช่ไหมการทําเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อผลมันก็เป็นหวังผลนะเช่นทำงานที่เราไม่หวังเอาเงินเดือนใช่ไหมหรือหวังเอาเงินเดือนหรือเปล่าเราเอาใช่ไหม อย่างนี้เราไปทำทำไมะหวังได้แล้วก็หวังมันเงินได้แต่จะได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึง่งท่านั้นอย่าไปยึดอย่าไปยึดสมมติว่าถ้าไม่ได้นี่ก็อย่าไปเสียใจความหมายอยู่ตรงนั้นถ้านั่งสมาธิแล้วจิตยังไม่สงบก็อย่าไปเสียใจแสดงว่าเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมก็พยายามเจริญสติต่อไปฝึกต่อไปในวันนี้คืนดีมันก็จะได้ผลขึ้นมาเอง ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจได้ก็ไม่ต้องดีใจเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นมันเป็นผลที่เกิดจากเหตุที่เราทำอันนี้ต่งความหมายอยู่งนั้นไม่ให้ไปหวังผลจนกระทั่งเกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้ก็ดีใจดีใจแล้วก็กังวลว่าจะได้หรือปล่าอย่างนี้อย่าไปอย่าไปเป็นอย่างนั้นให้เรา จเจริญเหตุที่จะทำให้เกิดผลส่วนผลจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่การจเจริญเหตุของเราว่าครบบริมุลหรือไม่ถ้าครบผลมันก็ต้องแสดงขึ้นมาอย่างแน่นอนคุณดวงเดือนครับปฏิบัติธรรมและใช้ชีวิตบนพื้นฐานละบาปทั้งปรงทำกุศลให้ถึงพร้อมเข้าใจในสัจธรรมธรรมชาติพ่านศีลภาวนาปฏิบัติ ร, รู้สภาวะการเกิดดับ และมีสภาวะจิตที่วางได้เลยเพราะเขาเขาว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็อยู่ที่ว่าวางได้เท่าไหร่ปฏิบัติได้เท่าไหร่ถ้าวางได้หมดก็เงินทองก็ต้องไม่ยึดไม่ติดร่างกายของเราก็ไม่ยึดไม่ติดอารมณ์ในใจของเราเราก็ไม่ยึดไม่ติดเจตนาความรู้สึกเราก็ไม่ต้องไม่ยึดไม่ติดมันต้องปล่อยอย่างนี้มนถึงยงถึงจะบรรลุธรรได้ คุณจักรกริตครับบอกว่าถ้าจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดมีขั้นตอนอย่างไรครับวันนี้ขับรถผ่านวัดเห็นพระมากกว่าถนนอยากไปปฏิบัติธรรมครับหมายถึงที่วัดญาณใช่ไหมถ้าวัดญาณก็ต้องติดต่อทางวัดทางวัดเขาก็มีที่พักให้อยู่ถ้าพักอยู่ในวัดก็มีหอพักให้ปฏิบัติให้อยู่ได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันแล้วก็มีกิจวัตรให้ลงธรรมก็คือลงบุต ลงไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นนั่งสมาธิในโบสในศาลาแต่ถ้าอยากจะไปฝึกกับพระที่อยู่บนเขาก็ต้องติดต่อกับพระที่อยู่บนเขาหรือติดต่อผ่านทางคุณหมอก็ได้คุณหมอเคยไปอยู่คุณหมอจะแนะนําให้ให้ได้ถ้าใหญ่แต่คนที่จะมาอยู่บนเขาต้องรู้สภาพของบนเขาก่อนว่ามันเป็นเหมือนเป็นทุ่ดงในป่าเลยนะมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาไม่มีกุฏิมันมีแค่ หลบแดดหลบฝนให้ร แ, แล้วก็มีทางเดินจองจกรมลยป่าเท่านั้นเองคุณแต้มสีครับอ่านในอินเทอร์เน็ตบุญทําเพื่อความดีเพื่อตัวเองแต่กุศลทำเพื่อพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการการตีความของของคนนั้นก็ได้นะแต่บุญนี้คือ คำ ว, ว่าบุญนี้คือความสุขใจที่เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีต่างๆความดีทุกชนิดทัพทานก็ได้บุญมรักษาศีลก็ได้บุญภาวนานก็ได้บุญคือความอินใจสุขใจนะครับว่ากุศลนี้ท่านแปลว่าความฉลาดคือการกระทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลเรียกว่ากุศลดูเหตุดูผลอยล่างนี้เหลวยลวยล่าเป็นกุศล คุณกำมลวันครับปุตชนสามารถเกิดวิปัสสนาญาณได้ไหมครับก็ต้องเป็นอุปผู้ปุุชลนะครับถ้าเป็นพระอนิจจะรักก็ท่านก็มีท่านก็มีญาณอยู่แล้วการการจะเกิดนี่ก็ต้องก็ต้องเป็นผู้ปุตชนกันที่มันฝึกขันดมาปฏิบัติมาเจริญสีนสมาธิปัญญาเมื่อเมื่อเมื่อได้ทําให้ครบวิปัสสนาญาณมันก็ปรากฏขึ้นมา คุณชัยยงครับทําไมเห็นหินมีแสงสว่างตลอดร้อนและแห้งอยากให้พระอาจารย์อธิบายครับหินเนอไม่ทราบนะทําไมเก็มีแสงสว่างตลอดครานี้ต้อ ง, ต, องต้องลองลองส่งคําถามเข้ามาใหม่นมครับทําไมจะตอบไปก็ไม่ทราบไม่ทราบหมาถึงอะไรครเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่นะครับคุณชัยยงครับ คุณมานพครับทำบุญในทางโทรศัพท์โอนเงินเข้าช่วยทางวัดได้กุศลผลบุญเหมือนทำเองด้วยมือไหมครับถ้าโอนจากบัญชีเข้าไปบัญชีของวัดก็ได้ถ้าโอนผ่านโทรศัพท์แต่เงินยังอยู่ในบัญชีเราก็ยังไม่ได้มันนอกจากบัญชีเราไม่กดตกลงไปแล้วครับคุณดำครับ กุศลกรรมบทสิบเราต้องทําให้ครบทั้งสิบข้อถึงจะเกิดกุศลกับตนเองใช่ไหมครับเกินี้เป็นเป้าหมายที่จะทําให้เราได้ในกุศลอย่างเต็มร้อยก็คือต้องทําทั้งสิบข้อแต่เบื้องต้นเราก็อาจจะเริ่มทําทีละข้อไล่ไปก่อนก็ได้ไม่ใช่มาคำว่าเราจะต้องทําทีเดียวสิบข้อไปพร้อมพรกันเลยข้อไหนเราทําได้ก็พยายามทําไปก่อนเช่นข้อไม่รักทรัพย์ได้แล้วก็พยายามทําต่อไป เราก็เพิ่มปไปเรื่อยๆมันจะไปยากตรงที่ข้อสามสามข้อหลังเนี่ยคือไม่โรภไม่อยากได้ไเลยเลยไม่โกรธใครเลยไม่หลงกับอะไรเลยอันนี้มันสามข้อหลังนี่มันจะยากที่สุดถ้าทำได้ก็บรรลุบรรนุอรหันต์ได้คุณอังคณาพรครับ การเดินจงกรมคือการรู้สติกับการรู้การเคลื่อนไหวกริยาทุกการเคลื่อนไหวเหมือนกันหรือต่างกันคะใช่กานเป็นการเจราญสติเหมือนกั น, น, ก น, น, กนคือเราต้องการที่จะให้ใจเรานี้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆเราก็เลยต้องผูกใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือร่างกายของเราเวลาร่างกายของเราเคลื่อนไหวแล้วก็คอยเฝ้าดูอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ ก็เรียว่าเป็นการเจริญสติเดินจงกรมก็เป็นการเจริญสติอย่างหนการที่เรามีการรู้การเคลื่อนไหวในการกระทำอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการเจริญสติเหมือ น, นกันจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับสำหรับคารวาสพูดคาหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อถือว่าผิดศีลข้อสี่ไหมครับไม่ผิดหรอกศีลข้อสี่ถ้าไม่พูดคำหยาบ เหถ้าไม่พูดปวดเพียแต่ว่ายัางไม่ถือว่าได้ยังไม่สามารถรักษากุศสมักรรมทางวาจาได้ครบอาจารย์อย่างนี้รวมถึงการพูดเล่นพูดตลกกับเพื่อนอก็ไม่ได้ไ ม, ามามไม่ได้พูดเพราะเาสียเวลาเอาเวลามาพูดมันจ่มีสาระไหมคะเช่นเรามาควยกันตงนี้น ถ้าเรามคุยตลกผูกค้างกันตรงนี้คนฝาดก็ไปฝากกันนะครับคุณทยาวัตรครับทุกและความไม่สบายกายไม่สบายใจในปัจจุบันเมื่อเราตายไปแล้วทุกนั้นจะติดตามเราไปด้วยหรือไม่ครับคือทุกมันมีเหตุที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาคือทุกทางใจกับทุกทางกายนี่ไม่เหมือนกัน ทุกทางกายนี้เมื่อตายไปแล้วมันไม่ตามไปแล้วแต่ทุกทางใจนี้ถ้ายังมีเหตุที่ทำให้ทุกทางใจเกิดมันก็ยังจะเกิดอยู่และเหตุที่ทำให้ทุกทางใจเกิดก็คือความอยากต่างๆหรือความโลภความโกรธความหลงอันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกทางใจที่มันจะตามไปกับกับใจต่อไปเวลาที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่ทุกทางกายเมื่อร่างกายหยุดหายใจแล้วก็ไม่มีต่อไป คุณพี โ, โปรครับถ้าวิญญาณขันไม่เกาะยึดขันทั้งสี่ที่เหลือจะเป็นอย่างไรครับอันนี้ผมยังไม่เข้าใจความหมายวิญญาณขันนี่เป็นเป็นส่วนที่มากับขันขันขันสี่ของทั้งที่อยู่ในใจเมีว่านามขันสี่เ ว, วทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เขาไปด้วยกัน เวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณอยู่ในใจไปกับใจเป็นเครื่องมือของใจเป็นความสามารถของใจที่สามารถที่จะส่งวิญ ญ, ญาณมาเกาะที่ร่างกายคือตาหูจ ม, มูกนิ้วกายได้เพื่อที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาพที่เข้ามาทางตาหูจ ม, มูกนิ้นกายที่ม่ยึดที่ในเกาะยึดก็คือขันก็คือร่างกายรูปปัจจัย ก็เป็นการแยกของของใจออกจากร่างกายนั่นเองโดยการแยกด้วยการถอนตัวที่ไปเชื่อมก็คือวิญญาณนักขันพอวิญญาณนักขันถอนออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็เป็นซากศพไปตายไ ป, ไปส่วนวิญญาณนักขันก็ยังอยู่กับใจทู่รู้อยู่ที่จะท่องอยู่ในโลกทิพย์ไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ ก็จะส่งวิญญาณนะครันนี่ไปเกาะที่ร่างกายใหม่แล้วก็จะมีการเกิดใหม่ทั้งหนึ่งอัชราครับเกี่ยวกับการสวดมนต์ก่อนนอนเจ้าค่ะถ้าเราสวดมนต์บทสั้นๆคือสวดไม่เยอะไม่นานเหมือนกับคนอื่นเราจะได้บุญหรือไม่เจ้าค่ะบุญคือความสุขใจความสงบองใจที่เกิดจากการสวดมนต์ ก็าแา้วแต่ถ้าเราเก่งเราไม่ต้องสวดเลยมีความสามารถทําให้ใจสงบได้ก็ไม่ต้องสวดเลยก็ได้แต่ถ้าเราเราใจเรายังคุ้งซ่าอยู่ยังไม่มีความสุขอาจจะพลุงเพราะเรื่องที่ไปเกิดขึ้นในในก่อนในในในวันที่เราไปตอนที่เรามานอนอาจจะไปมีเรื่องข้างข้า ง, ข, างข้างใจอยู่ทำให้เราใจเรายังคุ้งซ่าเรื่ไม่สบายใจ ถ้าเราสวดมัไป้็ทําให้ความฟุ้งซ่านทําให้สบายใจหายไปได้ก็ถือว่าเราก็ได้ได้ผลจากการสวดนี่จะส่วนมากส่วนน้อยก็อยู่ที่ว่าจะทําให้เกิดผลได้ได้เร็วได้มากได้หรือไม่เมื่อไหร่ถ้าสวดสั้น้็ทําให้ความฟุ้งซ่านหายไปทําให้ใจสงบได้ก็สวดสั้นๆก็ได้แต่ถ้าสวดสั้นๆแล้วความความสงบยังไม่เกิดความฟุ้งซ่านยังมีอยู่ ก็ต้องสวด ย, ยาวๆสวดไปจนกว่าความทุกข์ซาสนั้นมันจะหายไปคุณไม่ประสงค์ออกนามครับการเขียนรีวิวสินค้าในทางตําหนิตามเป็นจริงบาปไหมครับถ้าเป็นความเป็นจริงไม่บาปพูดไปตามความเป็นจริงเพื่อให้คนที่เขาอยากจะรู้ว่าสินค้านี้เป็นอย่างไรเราใช้เวลามันทําให้ ทำให้เกิดผลเสียหายกับร่างกายเราสมมติเราก็บอกไปตามความจริงนะแต่ถ้าเราไปเสริมสิ่งที่ไม่เป็นความจริงอันนี้ก็จะผิดนะแสดงว่าเป็นการพูดเท็จคุณมานพครับกุศลกรรมในการทำบุญที่สูงสุดคือทำอย่างไรครับก็อย่างที่ได้พูดนะว่าการทำบุญนี้มันมีหลายระดับด้วยกัน ระดับทานระดับศสียระดับภาวนาบุญที่ได้รับแต่ระดับก็มากน้อยไม่เท่ากันเหมือนธนบัตรที่มีราคาไม่เท่ากันธนบัตรบางใบ ก, มก็มีแค่คุณค่าแค่ยี่สิบบาทบางใบก็มีร้อยบาทบางออยก็เป็นพันบาทการการทำบุญในทางศาสนาก็มีแบ่งเป็นขั้นขั้นขั้นทานก็เป็นเหมือนธนบัตร เวลายี่สิบหห้าสิบขั้นรักษาสินก็เหมือนธนบัตรเบลาหลายร้อยแล้วขั้นภาวนาก็มีสองขั้นคือขั้นสมาธิแค้เท่ากับธนบัตรเวลาห้าร้อยแล้วขั้นปัญญา ก, ก็เท่ากับธนบัตรเวลาพันแต่ความยาก ง, ง่ายมันก็ต่างกันถ้าถ้ามันวธนบัตร ม, มันมันมีราคาต่ำมันก็หาได้ง่ายกว่า ธนบัตรที่ม่ราคาสูงกว่าเช่นทางานกว่าจะได้ใบถ้าธนาบัตบรใบละยี่สิบนี่มันทำแป๊บเดียวมันก็ได้นะแต่ถ้าอยากจะได้ธนบัตรใบละพันบาทมันจะต้องทามากกว่าถึงจะได้อันนี้ก็แบบเดียวกันบุญที่เกิดจากการปฏิบัติมันก็มีความยากง่ายต่างกันไปถ้าอยากจะได้บุญที่ได้ ในบุญที่มากที่สุดสูงสุดก็ต้อ ง, ต, องต้องเจริญปัญญาทีนี้เราจะเจริญปัญญาก็ต้องหานขั้นสมาธิก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็ไปเจริญปัญญาไม่ได้ถ้าเราอยากเจริญสมาธิถ้าเรายังไม่มีสี้รักษาสิ 8, น้นแปดให้ได้เราก็จะไปเจริญสมาธิไปได้ใ น, นบุญแต่ละขั้นมันก็เป็นเหมือนขั้นบันไดที่จะสนับสนุนกัน เหมืนกับการเรียนทังเสือแล้วมันก็เป็นขั้นของมันก่อนที่จะขึ้นชั้นปฐมได้ก็ต้องมันผ่านชั้นอนุบาลก่อนแจะขึ้นชั้นมัธยมก็ต้องผ่านชั้นปฐมก่อนนมันมีขั้นขั้นไปที่มันสำับเช่นกันไม่ใช่ว่าโอ้ยขั้นระดับอุดมศึกษาได้ปริญญาเลยเราไปขอสมัครเรียนอะไได้ไหมเขาก็ถามก่อนว่าคุณจบอะไรมาหรือเปล่าเป็นพื้นฐานที่จะมาเรียนไม่ไแบบเดียวใคร ทีนะ้าตอนอยู่บนเขาพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องลงมาแไปทําบุญเลยใช่ไหมครับ่เอาแบงค์พันไปแลกแบ่ค์ยี่สิบไปทำบุญพรอาารย์สามารถไปปฏิบัติภาวนาได้ก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการทําบุญทําทานคุณมาริสาครับการกินเจถือว่าทําบุญกุศลไหมครับไม่ไม่เป็นบุญเป็นกุศลแต่อย่างนั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปมันเป็นการรับประทานอาหารซึ่ง ผลผลผักนี่มันก็เป็นแค่ธาตุดื่น้ำลมไฟเหมือนกันเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมันก็เป็นแค่ดื่มน้ำลมไฟเหมือ น, นับเพราะฉะนั้นการกินเจนี่ไม่มีไม่มีผลทางด้านบุญกุศลแตอย่างใดถ้ามีพวกวัวควายมันก็ได้บุญกุศลมากกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยพวกวัวควายมันกินหญ้า <c oughs> คุณมาลิสาครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานทางสังขารแต่สังขารเป็นท่าทั้งสี่ที่เราเกิดความทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในสังขารจริงหรือไม่ครับเพราะเราอยากให้มันหายเพราะเราเชื่อ เ, เป็นตัวเราเราก็เลยไม่อยากให้มันเจ็บอยากจะให้มันหายราอยากให้มันหายเนี่ยมันเป็นเป็นสมุทยัยเป็นเหตุของความทุกข์ทรมานทางใจถ้าเราอยากจะทุกข์ทรมานทางใจก็ต้องอยากไปอยากให้มันหาย รักษาไปมันจะหายก็หายถ้ามันจังไม่หายก็ปล่อยมันอยู่ไปอย่าไปอยากถ้าอยากแล้วมันไม่หายมันจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจคุณวรัชยาครับขอเมตามเมตตาพระอาจารย์ขยายความเกี่ยวกับการที่มีคนบอกว่าเขาชอบไปเต้นรำนำหน้าเข้าอุปสมบทได้บุญกุศลดี ส่วนตัวโยมเองนึกไม่ออกว่าเขาจะได้บุญเกิดจากตรงไหนกับความเมตตาครับก็ไปแสดงกำลังโทนาบุญนะเนี่ยเป็นเพื่อนบวชก็เลยไปแสดงความดีสนับสนุนให้เพื่อนมีกำลังใจเวลาเราจะทำความดีบางทีเราก็โลเลไม่มั่นใจให้เราทำดีหรือไม่แล้วก็มีเพื่อนฝูงมามาแชร์มาสนับสนเออดีทำอางนี้ดีแล้ว ถ้าเราทำได้เราก็จะทำเหมือนคนนี้แหละงทนธรรมังนี้ในการไปร่วมงานบวชนี้ก็เป็นการไปร่วมอานุ่งทนาบุญกับผู้ที่บวชไปแสดงความดีดีไปให้กำลังใจพว้นี้นเป็นกองเชียร์เป็นเ c คนที่ไปร่วมบุญด้วยก็เกิดความสุขใจที่ไปสนับสนุนคนที่ไปทำที่จะไปบวชก็ได้ได้ความรู้สึกที่ดีกลับมา คามรู้สึกที่ดีนี่ก็คือบุญนี่ความสุดใจคืมุกี้ครับกลับขอบคุณหลวงพ่อนับเป็นบุญวาษณะที่ได้ฟังธรรมขอกลับเรียนถามในการปฏิบัติครับที่ผ่านมาอาทิตก่อนลูกได้เจริญที่วาสนาและต่อมาจิตเหนื่อยอาทิตย์นี้เลยหันมาเจริญสมถะแทนนั่งสมาธิเพื่อพักจิตให้สบายแต่การนั่งสมาธิจากที่เจ็บมากจะเหลือแค่รู้สึกคันๆไม่เจ็บมากแล้วครับ เลยทําให้ลูกเกิดฮึกเหิมและชอบใจลูกเลยนั่งสมาธิเยอะขึ้นภายหลังลูกนั่งสมาธิจะเผลอไปกดเกรงที่ขมับหัวตาบางทีกับฟันทําให้มีอาการปวดร้าวกระบอกตาวิงเวียนและก็อุดออมลูกควรนั่งต่อไปภายหลังนั่งสมาธิจะไปเผลอไปกดไปเกรงที่หัวตาอันนี้ไม่ทราบทําไมต้องไปกดไปเกรงด้วยเมื่อมันมันเกิดขึ้นเองอันนี้เราไม่เข้าใจ อันนี้เป็นเรื่องของทางร่างกายร่างกายอาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับอะไรหรือไม่นนไม่ทราบจแต่โดยปกติแล้วคนที่ออกจากสมาธิมาจะไม่มีอาการอย่านี้แต่อันนี้อะไร ไ, ไม่สามารถตอบได้ว่าอจะนั่งต่อหรือไม่อันนี้ถ้าถ้านั่งได้ก็ทําใจให้สงบใจไม่เดือดร้อนกับอาการของร่างกายก็นั่งได้ถ้าอยากจะนั่งต่อ แต่ถ้านั่งแล้วนั่งไม่สงบแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปดูแลอาการเจ็บปวดของทางร่างกายที่ไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิอันนี้ก็จะต้องไปดูแลคนอันนี้ต้องแยกแยะว่ามันเป็นกิดจากอะไรแต่โดยพูดทั่วไปเนี่ยการนั่งสมาธิไม่ว่าจะนานหรือ ไ, ไม่นานเอาจากสมาธิไปแล้วมันไม่ไม่น่าจะเกิดอาการเหล่า น, นี้ขึ้นมา อาจะต้องไปปรึกษาแพทย์คุณสิงโตครับอัปเดตการปฏิบัติครับพระอาจารย์ตอนนี้ผมได้ภาวนาตามที่พระอาจารย์แนะนำคือภาวนาไปเรื่อยๆหากมีสภาวะธรรมเกิดปรากฏให้พิจารณาตามความเป็นจรงิงหลังจากผมลุกจากนั่งภาวนาแล้วคงความสงบอยู่หรื อ, อยังอยู่ในอารมณ์ที่ละนิวรนแตผมพิจารณาตัดกิเลส ด, ด้วยปัญญาตามธรรมที่ปรากฏอย่างที่พระอาจารย์สอนเมื่อไล่พิจารณ า, าไปจนสุด เกิดสุขแบบอิ่มเอิบช่มชื่นอิ่มใจแล้วถ้าผมลองมาตรวจสอบดูอารมณ์ของตัวเองตัดกิเลสได้มากครับแต่ยังไม่ขาดเพราะกำลังสมาธิของผมยังไม่พอครับก็ต้องทําต่อไปจนกากิเลสมันจะหมดกนะ็แสดงว่ามาถูกทางถ้าเราถ้าเราสามารถาลคดความโลภความโกรธความหลงให้ให้น้อยลงไปได้กนะ็เป็นเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแนละ้ว คุณนัดว่าไรพันธ์ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระอานนท์บรรลุธรรมถ้าถึง น, นั่งถึง น, นอนความที่พระอานนท์บรรลุนี้ใช่จิตที่นิ่งสงบหรือว่าอริยสัจสีความรู้แจ้งเห็นจริงครับคือมันเป็นอาการของจิตที่ปล่อยวางความอยากอยากจะบรรลุธรรมก็เลยพยายามเร่งความเพียงเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าจะต้องบรรลุในคืนนี้ เขเป็นคือสุดท้ายแล้วเรีนยนจะครบสามเดือนก็เลยเกรง ว, ว่าถ้าไม่มปฏิบัติเดี๋ยวจะไม่บรรลุตามที่พระเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไว้แต่ก็พยายามทำสุดขีดเลยแต่จิตก็ไม่ยอมดุแล้วจนเกือบใกล้สว่างแล้วผ้านอนก็เลยตรงว่าเราคงยังไม่บรรลุแล้วล่ะพระพุทธเจ้าคงทานายผิดแ น, น่าสำหรับเราเนี่ย ผมจะไม่ได้บรรลุในครนี้อย่างที่ท่านได้ทำนานไว้ก็เลยปลงตรงความอยากลงไปว่าไม่อยากไม่อยากจะบรรลุยอมรับว่ามัน ร, รู้ไม่ได้ก็คือละความอยากจะบรรลุพอละความอยากจะบรรลุได้ในช่วงนี้กําลังเจะอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งอนอนพอละความอยากได้จิตที่ถูกกิเลสปิดกั้นทางพันิพทานมันก็เปิดออกทันทีเพราะกิเลสมันหยุดปับ ภ น, นิพานก็คือความสงบก็เกิดขึ้นในใจใจของท่าน้าบรรลุเป็นพันอภินิพานอยู่ช่วงนั้นพอทละสงบไทยทุกิเลสตัวสุดท้ายได้ก็คือความอยากบรรลุธรรมนี่ความอยากบรรลุพันธุ์านะอาจารย์ครับอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นวันที่บรรลุนี่สะเทือนโลกกระทำนี่คือลักษณะเป็นอย่างไงก็ในจิตมันอาจจะเกิอดอาการที่มันอ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหมือนกับทั่วไปมันอาจจะเป็นเหมือนกับมันในการสั่นสะเทือนอย่างอย่างอย่างอย่าง่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเวลาที่ก่อนที่จิตจะสงบเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะแตกเป็นเสียงเสียงไประเบิดไปนี้ก็มีจิตตัวจิตมันแตกไปแล้วพอหลังจากนั้นทุกอย่างก็ว่างไปหมดนิ่งสงบไปห เหมืนโดนโดนระเบเคลียร์พอระเบดเสร็จแล้วทุกอย่างที่หลังจากนั้นก็นจะนิ่งไปคุณพัญยวัฒน์ครับขอความตรุน่าขยายคำว่าความหลงในทางพุทธศาสนาครับความหลงก็คือการไม่รู้ว่ารยาสั์สิไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรา้าวิธีแก้วความทุกข์ของเราก็คือต้องละความอยาก แต่แทนที่เราจะรักความอยากแล้วกบไปทําตามความอยากก็จะได้ละพย่อทำให้ความทุกข์หายไปเช่นอยากไปเที่ยวพอไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกข์ก็เลยต้องยิ่นหล่นหาหาวิธีไปเที่ยวให้ได้พอได้ไปเที่ยวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเที่ยวแล้วเราไม่ได้เที่ยวมันก็หายไปแต่เป็นหายไปชั่วคราวพอกลับมาบ้านอยู่สักพักเนึ่ยเนียวความอยากเที่ยวก็ผล่ขึ้นมาวิธีที่จะรักความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเที่ยวเกิด เวลาอยากเที่ยวก็อยากไปเที่ยวตามความอยากถ้าไม่มีกำลังหยุดมันก็ให้มานั่งสมาธิทาใจให้สงบการถ้าจับใจให้สงบแล้วความอยากมันก็จะหยุดไปแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปอันนี้เป็นวิธีที่จะที่จะแก้ความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่แก้ด้วยการทำตามความอยากอยากได้อะไรก็ต้องไปหามาให้ได้ถึงจะสบายใจ ถ้ายังไม่ได้มันก็ยังมหมุนอยู่ยังเอาทางใจพอได้มามันมันความอยากพอมันได้ของนี่มันอยากได้ความอยากอันนั้นมันก็หายไปหยุดไปมันก็ทําให้เกิดความสบายใจขึ้นมาดีใจขึ้นมาแต่ความอยากมันไม่หายเดี๋ยวมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอือคือความหลงอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็คือความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนะั้น คือไปเห็นสิ่งที่เที่ยงว่ามันสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราเช่นร่างกายเรามักจะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของธรรมชาติมันเป็นรินน้ำลมไฟมันเป็นของไม่เที่ยงแต่เราก็อยากจะให้มัน เ, นเนที่ยงนี่คือความหล ปุณ ส, สิภรัสครับกลับเรียนถามครับลูกนั่งภาวนามาได้สักพักรู้สึกจิตใจเปลี่ยนไปอย่างมากปล่อยวางกิเลสทั้งหลายได้มากจิตวางเฉยกับทุกอย่างมีช่วงหนึ่งที่นั่งแล้วเห็นแต่อสุภะตลอดอาทิตย์ต่อมาก็ว่างเปล่าเหมือนอยู่คนเดียวในโลกกว้างสุดสายตาจิตสงบสุขมากๆเวลาก่อนจะนอนก็เข้าสมาธิทุกครั้งตอนหน้าไม่เคยฝันแต่ตอนนี้ฝันทุกวันจาได้บ้างไม่ได้บ้างฝันเรื่องต่อนเนื่องกันทุกคืนว่ามีคนพาไปพิจารณาอสุภะพิจารณาการเจ็บป่วยการเกิด เห็นพระสงฆ์เห็นเทวดาบ้างกาบเรียนถามอาจารย์ว่าเกิดอะไรเจ้าคะลูกควรทําอย่างไรครับอ๋อมันก็เกิดจากการที่เราพิจารณาคิดบอ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอเวลานอนหลับความคิดมันยังไม่หลับไปกับเรามันก็คิดเรื่องราวที่ข้างๆอยู่ใน ใ, นใจต่อไปเท่านี้ไม่มีตระเด็นอะไรก็ไม่ ก็เวลาก่อนเวลาจะนอนก็จเจริำสติให้หยุดคิดนะอย่าไปอย่าไปปล่อยให้มันคิดดูลมหายใจเข้าออกและบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแล้วท่านนอนหลับด้วยสตินี้มันก็อาจจะไม่คิดไม่ฝันก็ได้แต่ถ้ามันคิดหรือฝันก็ไม่เป็นไรไม่ตป็นเรื่องที่ต้องไปกังวนของมันเพราะช่วงที่เรานอนหลับเราไม่มีสติที่จะไปควบคุมความคิดของใจไนดะ้ ก็ไปไปคิดไปก็อยอมรับกับสภาพของมันไปคุณครองสติครับกับเรียนถามการกระทาที่เป็นกุศลเช่นการทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์เป็นกุศลใหญ่จริงหรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นการทำทานระดับทานที่มันไม่ได้อยู่ในกุศลประสิกุศลปรรมสิบนี่มัน เนื่องถ้าอยากจะได้ได้ได้กุศลที่ใหญ่ให้มาทำกุศลกรรมทางใจให้ทางกายวาจาใจจะมีกว่าอันนี้เป็นการสร้างวอกขาวรวัตถุก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งแต่กุศลที่ยังไม่ใหญ่เท่ากับกุศลกรรมเส็จประการที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาทํากันคือทําทานให้ทํำมากน้อยเท่าไหร่ก็สู้การรักษาสิไม่ได้ เพราะการทำทานนี้ไม่สามารถที่จะปิดประตูาบายได้การจะปิดประตูาบายการที่จะไม่ไปเกิดอาบายได้นต้องรักประจักษ์การรักษาศีลถึงแม้เราจะทำบุญทำทานมากน้อยเท่าไรแต่ถ้าเรายังทำบาปอยู่เราก็ยังอาจจะต้องไปเกิดในอภัยบุญที่เราทำอยู่ถ้ามันไม่มากกว่าบาปที่เราทำมันไม่สามารถเล่งเราไปสวรรค์ได้ คุณแว่นพัดปล่อยวางพูดง่ายแต่ทําใจยากมากๆเราควรวางจิตอย่างไรให้สามารถปล่อยวางได้ครับก็ต้องฝึกสมาธินี่แหละถ้าเราฝึกสมาธิพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจิตก็จะมีอุเบกขาจิตมันก็จะปล่อยวางของมันเองจะไม่มีอารมณ์รับทางโกร๋งกับอะไรคุณติยพงครับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อเอาชนะการมาราคาได้ครับ รู้สึกว่ายิ่งจะเอาชนะการราคากับแพ้ทุกครั้งครับก็ต้องใช้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คืออัศวะเราต้องมันพิจารณาอาสุภะพิจารณาอาการสางที่สองของร่างกายเรีออยนรู้ร่างกายเวลาที่ตายเป็นซากศพไปเนี่ยมีเมื่อคืนวันพุธนี้มีลูกศิษย์เามาเล่าให้ฟังว่าเขาไปฝึกสมาธิในหน้ั่งที่ที่สถานที่แห่งหนึ่งที่เขา จ, จัด เ ป, เป็นแค่แล้วก็จะมีมีศพนอนอยู่ในโรงเราให้ไปนั่งต่อต่อหน้าโรงศพไปนั่งคนเดียวสองต่อสองกับอาจารย์ใหญ่แคู่หน้าสักสองชั่วโมงแล้วที่นั่นไม่มีแสงสว่างไม่มีไม่มีไฟไม่มีเทียนไม่มีอะไรให้ไปนั่งแล้วก็ไปไปพิจารณาความตายของร่างกายและร่างกายนี้ มนตายแล้วมีใครอยากจะไปนั่งไปนอนด้วยไหมทุกครั้งที่เราคิดถึงร่างกายของคนที่เราอยากจะไปนอนด้วยถ้าเกิดเขาเป็นซากศพไปแล้ ว, ลวเรายังจะไปนั่งไปนอนกล้เขาได้หรือไม่มันต่างกันตรงไหนเวลาที่เขาเป็นเวลาที่เขาตายอาการสารที่สองก็ยังมีอยู่เหมือนครบเหมือนเดิมต่างกันตรงที่ไม่มีลมหายใจเท่านั้น เรื่เรื่องมีส่งเกินหมอนขึ้นมาแล้วองเรื bag, living, si ่อเ uh, น่าเน่าเน่าขึ้นมาเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นร่างกายอันเดียวกันอย่าเรามองร่างกายหลายมิติด้วยกันอย่าไปมองว่าร่างกายเฉพาะตอนที่ตอนที่มีชีวิตอยู่ลองนึกถึงตอนที่ร่างกายเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วเรายังจะเป็นร่างเขาหรือเปล่ายหนืองว่าภายในร่างกายของเขามีอาการอะไรบ้างที่เรามองไม่เห็นเช่นโครงกระดูก อวัยวะต่างๆปอดตับหัวใจลำไส้อะไรต่างๆเนี้ยมันก็มีอยู่ในร่างกายของคนที่เราอยากอยากจะมีการด้วยอยากจะเสรการด้วยเราต้มาพิจารณาอสุภะพิจารณาการสาสิสพัพิจารณาทรากศพนึกีกสุชาติศพบ่อยๆเราจะทำให้บรรลุทำได้มีพร ในพระนพุทธกาลใน่ารูปหนึ่งท่านยัท่านมนาติดอยู่ที่การ า, าคาไม่ยังละไม่ได้พอดีในโสภณีมีชื่อเสียงที่สวยงามมากตายไปตั้งศพบรรพีโสดอยู่พระเจ้าเลยบอกให้พาไปพิกท่านมาดูศพของโสภณีอเอาไปดนศกของโสภณีการมร า, าคาหายไปหมดคุณทายวัตครับ ขอความปรนนาพระอาจารย์ ข, ขยายความคําว่าอาวิชชาน ะ, ะครับคุณพิทยาศาสนาครับอวิชชาก็คือความไม่รู้ว่าิทุกสิ่งไม่รู้ใจรักนิจจทุกของอังหน้าตาเนี่ยไม่รู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นนิจจทุกของอังหน้าตาไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราไปอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นนิจจสุขของอังหน้าตาคุณแปมสีครับ เคยเครียดไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเป็นอยู่นานหลายปีแต่ไม่ได้อยากลุกขึ้นมาฆ่าตัวตายแค่ไม่อยากอยู่ในโลกเฉยๆคิดว่าคนฆ่าตัวตายคือคนอ่อนแอที่ทนกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทางใจหรือทางกายไม่ได้การไม่ยอมฆ่าตัวตายก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งนะครับ ก, ก, กอ็อย่างน้อยก็ในเรศีลเนี่ยในศีลลักษณะก็เป็นกุศลกรรมอย่างหนึ่งคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดเชื้อไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็าตาม คุณมาริษาครับทุนกุศลที่เราทําบางคนก็ยังสงสัยว่ามีจริงหรือไม่แล้วทําไมต้องทํามันสําคัญและจาเป็นจริงๆหรือเปล่ามันเหมือนกับอากาศหรือเปล่าคพระอาจารย์รู้ว่าจําเป็นแต่สัมผัสและจับก้องไม่ได้ของพรหมเตาพระอาจารย์ครับรมันจับต้องได้เพียงแต่เราไม่รู้ว่าไปจับที่ตรงไหนย่งนึงเราต้องดูที่ใจของเราสิว่าเวลาที่เราอ่ไม่ทำบาปหรือเวลาที่เราทํำบาปใจเราต่างกันไหมเวลา เราทำบาปเราโกหกใครนิจใจเราสบายหรือไม่สบายเวลาเป็นรักทราบของผู้อื่มานิจใจของเราเป็นอย่างไรมันสัมผัสได้การที่เราไม่ทำบาปการที่เรารับถ่ายกุศลนี่มันจะทำให้ใจเราสงบทําให้ใจเราเย็นทําให้ใจเราสบายในเวลาที่เราไปทำอกุศลไม่ว่าทางกายทางวาจาหรืทางใจใจของเราจะร้อนขึ้นมาในเวลาโกหกใครนิจใจเราร้อนไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งใช่ไหม อันนี้ถ้มันเห็นอยู่แต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เป็นนะนี่มันจะิดขึ้นผลผลของกุศลละกรรมนี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักมองว่ามันมันมองที่ไหนกันท่านเพราะใจของเราไม่เคยมองเข้าไปข้างในใจของเราถูกกิเล็เราให้เรามองออกไปข้างนอกตลอดเวลาเราเลยมันทันหลังให้กับใจของเราแล้วก็เลยไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นที่ข้างหลังของเราเห็นแต่ข้างหน้า เห็นแต่รูปเสียกลิ่นรสผลิตภัณฑเห็นแต่ลาบรสสรรเริเห็นแต่คนนเห็นแต่คนนี้นนแต่นนแตใจทุกข์ใจร้อนมองไม่เห็นว่าใจทุกข์ใจร้อนคุณสารลินครับถ้าเริ่มไม่สงสัยในพรภาชนะตายแล้วมาถูกทางแล้วไหมครับแต่ความเพียรในการภาวนาลูกยังน้อยบางทีเลิกงานมาก็ขี้เกียจ แต่ก็พยายามภาวนาก่อนนอนและตอนตื่นนะทางที่พี่เกียรติได้5นาที10นาทีบ้างครับ อ, อ๋อก็ยังแสดงว่ายังยัง้ยังไม่ได้สงสัยยังไม่ได้หาสงสัยจริงนนเครับให้สงสัยตามจินตนาการความคิดนั่นเองยังไม่ได้เห็นพระรันตนกายจริงๆเพราะรันตนกายจริงๆมีอยู่มีอในใจของเราคือธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่อริยสัจสีมันมีอยู่ในใจของเราเพียงแต่เรายังมองไม่เห็น อันนี้เป็นการเป็นการเห็นแบบก็เป็นการเชื่อมากกว่าเชื่อพระรันตนไตยมีจริงอันนี้ยังไม่ได้เป็นการเห็นไม่ได้เห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยวิปัสนาญามันก็เลยยังทำให้เราไม่มีความเพียรแต่ถ้าเราเห็นด้วยวิปัสนาญาเห็นที่มันปรากฏขึ้นมาในใจแล้วมันจะเกิดความเพียรขึ้นมามันจะไม่อยากจะทําอะไรนอกจาก พยายามที่จะตัดละกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้ให้มันหมดสิ้นไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ต้องเห็นด้วยต้องเห็นต้องเห็นภาพพระรัตนนาตายที่ปรากฏขึ้นในใจต้องเห็นทำต้องมีดวงใจเห็นทำเห็นทำปรากฏขึ้นในใจเห็นแว่าแยกสัดสีเห็นว่าโอ้ตอนนี้เราทุกข์มาอเกินเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเรา แล้วก็เห็นหน้าวิธีที่จะทําให้ความอยากของเราหยุดไปอย่างนี้ต้องเห็นใจนรักเพราะความอยากของเรามันเป็นอย่างในสิ่งที่มันเป็นไปรักอยากจะให้มันเป็นไปรักคุณกมลรัตครับหนูเป็นครู ว, วิทยาศาสตร์อยู่ที่บุรีรัมย์ได้มีโอกาสใส่าบาตรพระอาจารย์และได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ทักทายและให้หนังสือหนูก็ขอให้พระาขขอาจารย์ปลุกพลังแรงเป็นพลังใจอ๋ออันนี้อันนี้เล่าให้ฟัง <laughs> กับบุรีรัมย์ไปกลาวอาจารย์ด้วยนะนี่มาจากแทาทุกจังหวัดเลยเหนือใต้ามาหมดไทยเปโอกาสทานมาครับนี่ก็จะแวะมาสมายบางแวะมาฟังธรรมอันนี้ก็มีคนน ม, มาจากขาดใหญ่มนั่งรถมาสิบสี่ชั่วโมงมาเพื่อมาขอฟังเทศฟังธรรมที่ปุติติคุณทยวัดครับการโปหกเพื่อเอาตัวรอด ควรหรือไม่ควรอย่างไรโปรดให้ปัญญากสิทธิ์ด้ยครับมันจะรอดจากอะไรละถ้ามมันโกหกมันจะไป ม, มันจะไปไม่รอดแต่เข้าบายจะเอาตัวรอดจากอะไรอาจจะรอดจากการที่ถูกเขาตำหนิหรือถูกเขากล่าวโทษเรื่องอะไรทุกอย่างแต่มันจะไปปลูกตัวเองไว้าติดจะให้ติดอยู่กับอบายสู่การไม่โกหกหรือกล่าวจะได้รอดจากการไปเขินในอาบาย ากาโหกเรื่งส่งให้เราไปเกิดในอับายถ้าเราอยากจะรอดจากการไปเกิดในอับายเราก็ต้องอยากโหพูดพกลาจริงถ้าพูดพกลาจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเฉยๆไปผมมาประสค์ออกนามครับคนที่ทุจริตขอรับชั่อบ้านเมืองหรือคนที่ใช้อํานาจหน้าที่ตัดสินคดีความจากผิดให้เป็นถูกเนื่องจากการติดสินบนเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรครับ ก็ต้องไปเจอด้านบายไม่ช้าก็เร็วการทําบาปขึ้นอยู่ว่าทําบาปเพื่ออะไรถ้าทําบาปเพราะความโลภอันนี้ก็จะไปเป็นเปลถ้าทําบาปเพราะความกลัวก็จะไปเป็นทศวรรายถ้าทําบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นสัน์เดระชา้งถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปไปนรก ในที่ไปอสี่ที่จาการกระกกทำบาปด้วยสาเหตุสี่ประการคือรักชังกลัวหลงคุณใบยกครับเวลาที่นั่งสมาธิแล้วถึงจุดที่เหมือนหยุดหายใจแต่สงบลูกควรทํำยังไงต่อครับให้รู้เฉยๆไม่ให้หยุดนี่ อ, อยู่ที่จุดนั้นอยู่ถ้าดูลงก็ให้อยู่ตรงนั้นถ้าพูดโธก็พูดโธต่อไปคุณทัยวัตรครับ ผมจะครองตนเป็นโสดเพื่อปฏิบัติธรรมถ้าเราเจอผู้หญิงหรือสื่อที่เป็นภาพโปนุ่งน้อยหมน้อยของผู้หญิงที่มีตามสื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรปฏิบัติอย่างไรครับต็อับตาเลยหับตาคุณองุ่นเปรี้ยวครับคนบ้าไร้สติไม่มีโอกาสบรรลุธรรมได้เลยใช่ไหมเจ้าคะใช่การจะทำอะไรทํากุศลทั้ทงหลายนี่ต้องมีสติเป็นผู้นา ทึงจะทำได้ถ้ากาดสติเช่นนอนหลับก็คนคนมากก็ไม่มีสติคนเมา ก, ก็ไม่มีสติคนตายก็ไม่มีสติคนเราไม่ได้สามารถที่จะทํากุศลอะไรได้เลยคุณมาริสาครับคนบางคนมีเงินและทรัพย์สมบัติเยอะแต่ในใจไม่มีความสุขแต่บางคนมีทรัพย์น้อยแต่มีความสุขแสดงว่าความไม่ได้วัดความไม่ได้วัดกันที่สัมบัติภายนอกใช่ไหมครับอาจารย์ ความสนใจมันไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติมีมากหรือน้อยอยู่ที่มณกิเลสมากกิเลน้อยมีกิเลสมากก็จะมีทุกมากมีกิเลสน้อยก็จะมีความทุกข์น้อยในคราบศพ ม, มันด้วยกิเลสปัญหาความโลภความโกรธความหนืคุณเป็นจ์พาครับการบริจาคลงศพ เวลาที่เราเขียนเจตนาการทําบุญนั้นที่ถูกต้องเขียนว่าขออุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหรือชื่อสกุลของเราครับอันนี้จะเขียนก็นได้ไม่เขียนก็นได้นนมันเป็นเรื่องของของแถมตามดวงจักรที้เราได้บุญแล้วถ้าเราจะอุทิศบุญให้กับใครแล้วก็รับรู้เพิไปเลยใจไม่ต้องเขียนในกระดาษก็ได้คุณดีวิสครับการที่วัด มีรูปเคารพตื่นที่ไม่ใช่พระพุทธรูปรวมถึงพระโพธิสัตว์ต่างๆแล้วให้คนกราบไหว้บูชาถ้าเรากราบไหว้บูชาบ่อยๆแล้วจะเท่ากับว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ศรัทธาในคําสอนของพระพดโคดมร้อยเปอร์เซ็นไหมครับคือการไหว้นี่เราไหว้ได้พราะแม่เราก็ไหว้ได้บุคคลที่มีพระคุณกับเราเราก็ไหว้ได้อันนี้เป็นการแสดงความเคารพไม่ได้ถือว่าเป็นไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นที่พึ่งทางใจ ที่เพื่อนทางใจไว้เถียงการเชื่อฟังคําสั่งคําสอนของบุคคลที่เรายึดเป็นที่พึ่งเพรฉนั้นเรากราบว่าเทวดาก็ได้กราบไหว้อะไรก็ได้บางทีเราไปเราไปงานแล้วก็มีงานศพให้เราแสดงคาวะคนตาแล้วก็ต้องแสดงค า, าวะคนตายอันนี้มันไม่ได้หมายความ่าเรายึดเขาเป็นที่พึ่งของเราไม่เกี่ยวกัอคนละเรื่องกั น, น, นเรายึดพระพุทธธรรมวาสเป็นสอนแะ เ, เป็นที่พึ่ง กเราต้องเราเชื่อในคําสั่งคําสอนเนี้ยจะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนแล้วก็เลยให้ความเคารพในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเพราะงั้นการสแสดงความเคารพนี่มันสแสดงได้ด้วยหลายสาเหตุด้วยกันเนี่แสดงความเคารพเพราะว่าเขาเป็นเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นเจ้าหนายี่เราเราก็ต้องสแสดงความเคารพให้กับเาแสดงไม่ได้นเขาเราเรา เราถือว่าเป็นสาระเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราอันนี้คนละเรื่องกันกรุงจุลาลัตครับการใส่และถอดเครื่องช่วยหายใจบิดามารดาเป็นปิดตุวาดห้ามสวรรค์ห้ามนันิพพานใช่หรือไม่คะถ้าใช่โรงพยาบาลถามว่าเราจะต้องปั๊มเจาะคอสอดท่อหายใจขึ้นมาควรตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องครับเอ่าไม่ได้เป็นการฆ่าหรอกการยุติการวักษาทนั้นเองป็นการยุติการรักษา ปล่อยให้ร่างกายเขาอยู่ไปตามกำลังของเขาเองถ้าท้องอยู่ได้ก็อยู่ไปถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ปล่อันนี้ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นการการการฆ่าตาอย่างใดเพียงยึดอยู่การรักษาอันนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปไม่ได้ปิดกั้นนิพพานไม่ได้ปิดกั้นสวรรค์ <c oughs> แต่ถ้าฆ่าด้วยเ้าเรียกวา่ามีอะไรมีการลุกฆ่าอันนี้ ปิดกันเราสงสารเขาเห็นเขาทรมานก็เลยฆ่าเขาเลยเพื่อเขาจะได้พ้นจากความทรมานไอ้อย่างนี้นหะเป็นบาปแน่นอนไม่ควรจะกระทําชาวพุทธเราไม่กระทำถ้าเขาจะทุกข์ทรมาร์ก็เป็นเรื่องกิเลสมันเขาเป็นกรรมของเขาก็เราปล่อยให้เขาอยู่อบบไปรับกรรมของเขาไปจะได้หมดเลยหมดกรรมไปแต่ถ้าเราไปไปไฆ่าเขาเราก็ไปตัดตอนการที่เขาจะต้องหมดกรรม ทำใหเขาต้องกลับมาเกิดมารับใช้กรรมอันนี้ต่ออีปกปล่อยให้เขรับกรรมของเขาไปดีกว่าเราช่วยได้ก็คือทางร่างกายของเขาถ้าร่างกายเขาขาดอะไรขาดน้ําขาดอะไรเราก็ช่วยเขาไปทำเหล่านั้ น, น, นแต่เราจะไม่ช่วยให้เขาตายไม่ช่วยทำให้เขาตายเป็นเด็ดขาดเพราะอันนี้ถือว่าเป็นการทําบาปปิดการนนุ้ยผ่านเป็กนการสวรรค์อย่างแน่นอนคุณทาทาครับ ดูได้ดูข่าวสงครามที่ผู้สูญเสียโดยเฉพาะกับเด็กที่บริสุทธิ์รู้สึกสงสารจนจิตใจของโยมเศร้าหมองแทบไม่สามารถสลัดความรู้สึกทั้งที่มองเป็นกรรมของเขาแต่เขาไม่ได้นับถือพุทธจะได้เป็นกรรมได้ไหมครับคือก็จะเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องของเราปัญหาอยู่ที่เราต่างหากที่เราไปทุกข์กับเขาเพราะเรายังยังไม่อยากให้เขาตายยังอยากให้เขาอยู่ต่อไป เรามองไม่เห็นว่ามัน เ, นเขาอยู่ภายใต้กฎของตายแักเป็นตายแล้ก็คือความตายมันมาเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยเรามองไม่เห็นความจริงเรายังไปแยกแยะว่าคนที่อายุน้อยนี่ไม่ควรจะตายคนที่คนจะตายก็คือคนที่มีอายุมากนี่เป็นการมองเห็นไม่เป็นไม่เป็นไปตามหลักของความเป็นจริง แของความเป็นจริงครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตายได้เท่าเทียมกันหมดคุณมนตรีครับขณะใกล้จะตายควรทรําจิตใจอย่างไรครับทําให้สงบนทําให้นื่งทําให้เฉยไม่ใช้การสวดมนต์ก็ได้ใช้บริกรรมพุทโธก็ได้ดูลายใจท่ อ, อก็ได้ไม่ใช้ปัญญาโปรงก็ได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายมันของไม่เที่ยมมันจะต้องตายก็ปล่อยให้ตายไป อาจารย์ครับแล้ถ้าเป็นคนของศาสนาอื่นเราจะแนะนําเขายังไงก็เนี่ยแบบเนี้ให้เขาทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทําให้ใจขอเขาสงบถ้าก็สวดบนองศาสนะก็ได้ถ้าก็สวดไปน้องเพลงชา่วรสเสิร์ฟก็เจ้าไปก็ได้หรือถ้าเขาฝึกสมาธิได้ดูความหมายใจได้ก็ทำความหมายใจหรืถ้าเขามีปัญญาก็ยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องตายก็ปล่อยปันตายไปยอมตายได้ไง พยายามตายใจก็จื่จดสนุกคุณจีครับพระหนุ่มทุกวันนี้บางท่านกินข้าวเย็นเปิดเพลงร้องตามเป็นที่สนุกสนานเขาจะมีกรรมแค่ไหนครับผลของกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรครับก็เขาก็คงจะไม่ริทางที่จะไปปฏิบัติทําขั้นสูงได้ถ้าเขา อ, อยากละกรรมการการการมักิเลสไม่ได้ละกา ร, รมักฉันทะไม่ได้ เราก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเจริญสนาหรืไปเจริญนิพพานาปัญญาเพื่อให้หลุดพ้นได้ต่อไปคุณสันนี่ครับสัญญาติดตามจิตไปแต่ทําไมเราถึงจําอดิตชาติของเราไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีความสามารถที่จะล่วงเข้าไปถึงถึงความจําที่เรานมีสังหรณอยู่ในใจของเราได้เรา เราไม่มีความสามารถแต่ความจำยังมีอยู่ถ้าเราสามารถเข้าสมาธิได้เราจะสามารถรวมเข้าไปเป็นความจำที่เล็กกว่านี้ได้นั้นต้องฝึกสมาธิให้มากโดยเฉพาะถ้าเราได้อุปจาระสมาธิเราจะสามารถระลึกชาติได้แต่ยนี้สมาธิไม่มีใครสอนเรื่องอุปจาระสมาธิก็เลยคงจะยากที่เราจะสามารถที่จะไปเรียนเรื่องอุปจารสมาธิได้ แล้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ไมจําเป็นไม่สําคัญที่จะรู้เพราว่าเหมือนไม่ได้ทําให้เราหยุดพ้นจากความทุกข์ได้ไปอย่างใดเรื่องราวแบบนี้ถ้าจําไม่ได้ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาอปวดหัวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตคุณมริษาครับ ถ้าพิสูจนส่วนมากเกิดจากครอบครัวที่ยากจนเพราะทําทานน้อยแต่ท่านได้บุญกุศลมากเพราะได้ภาวนามามากใช่ไหมเจ้าคบมันก็ไม่แน่หรอกแต่ละคนที่มาเกิดจะร่ำรวยงเลยจะยากจนนะว่าว่าได้มาจากบุญกุศลหรืออะไรมัมีหลายสาเหตุที่ทำให้คนมาเกิดจนรั่นเลยอันไม่ใช่อยู่ที่บุญหรบาเปเพียงอย่างเดียวแต่พวกคนที่บุญแล้วสามารถ ปฏิบัติธรรมได้สูงขึ้นด้นแสดงว่ามักจะมีธรรมติดตัวมาแล้วแต่คนที่บวชนั้วไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ บ, บวจนั้นได้ไม่นานก็ลองลาสิกขาไปพก็แสดงว่ายังไม่มีธรรมติดตัวมามา ก, ก่อนที่จะทําให้คลองเพศของของขอ ง, ขอ ง, ของนัก บ, บวชได้มีเก่งครับก่อนนั่งสมาอาสวดมนต์บทสั้นๆก่นอนนั่งสมาธิแล้วจึงจับเวลา น, นั่งสมาธิสามสิบนาที เวลานั่งนิ่งลมกับเป็นนานได้แต่จิตคิดนูกนี่ตลอดไม่สามารถกลับลมหายใจหรือให้จิตนิ่งได้เลยไม่ได้เดินตรงลมค่ะคอมเมนต์นำ้ำมิตรเพราะว่ามีกำราบังสติของเรามาีมาน้อยเราไม่ได้ฝึกสติมาก่อนนั่นเองก่อนที่จะร่างสมาที่นี่เราควรจะฝึกสติให้มากๆก่อนซึน่งถ้าเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันเลยเนี่ยจะดีมาก <c oughs> จะทำให้เรามีโอกาสที่จะทำให้จิตในระด้บเราจิตจะนิ่งสงบได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกสติเลยนั่งไปจนวัายก็ไม่มีวันสงบคุณพิพัฒน์ครับจำเป็นต้องได้ฌานถึงได้บุญหรือไม่ครับฌานก็เป็นความสงบอย่างหนึ่งก็เป็นบุญอย่างหนึ่นงคุณแต้มสี บอกว่าสามสิบสองภพภูมิสวรรคภูมินรกภูมิไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตใจใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้อจิตใจสุขทุกข์เนี่ยสุขมากมันสุขน้อยมันก็แบ่งเป็นชั้นชันไปทุกขมากทุกน้อยก็แบ่งเป็นชั้นช้นไปคุณเอ็มครับกลับเรียนถามถ้ามีคนมาระแานเราเราควรวางตัวด้วยใช้หลักธรรมใดครับ ก็วางเฉยโดยวางคิดว่าเขาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศฝนจะตกเราก็ห้ามมันตกไม่ได้ก็ปล่อยมันตกไปแล้วก็ทําใจเฉยๆหันอยู่กับฝนไปหันอยู่กับคนที่เขามาระลางานเราถ้าเราทําได้ถ้าเราแผ่เมตตาให้กับเขาได้ก็ให้ความเมตตาเขายิ้ ม, มให้เขาหรือยกมือไหว้เขาอ่อนน้อมถ่อมตัวจากเขาไป แล้วแต่จะพลังงานเราอย่างไรอย่างไรคุณคุณนากรครับขอช่วยนี่พีแนะครับตอนนี้ผมอยากเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเบียร์รู้สึกว่าเริ่มินล่นกลับมาติดหนักมากครับเวลาหลังจากเลิกงานกลับห้องทีไรต้องกินเบียร์เวลาหนึ่งกระป๋องทุกวันอยากจะเลิกก็ได้แต่พูดพูดและคิดไม่รู้กี่รอบก็จะเลิกก็ทําไม่ได้เหมือนจิตใจมันไม่มีกําลังพอ แต่ชอบแต่จะเสพปึกอย่างเดียวเลยครับขอพระอาจารย์ช่วนิ่งทีแน่ด้วยครับก็อ ย, อย่างว่าอยากจะเลิกจริงหรือไม่ถ้าอยากจะเลิกจริงจริก็ไปบวชสักสามเดือนหนึ่งงานงานไปบวชสักสามเดือนตามบวชก็ยังไม่มีโชคลาภจริงแล้วไปบวชที่วัดป่าด้วยอย่าไปบวชอยู่ที่วัดบ้านวัดบ้านมั น, น, น, ในใกล้มีลูกศิษย์เยอะพระฝากลูกศิษก์ะซื้วันหนึ่งง่ายถ้าไปวัดอยู่ในป่าไกล ไม่มีรูส้สิลูกค้ามาคอยรับใช้อย่านั้นเลิกได้ เ, เดิเที่วไปเร่ครับพระอรหันต์ทุกองค์เมื่อบรรลุแล้วจะมีอภินญญาได้ทุกคนไหครับไม่ทุกคนาอพระอรหันต์่ะมีอยู่สี่ชนิดด้วยกันพระอรนชนิดแรกคือบรรลุเพเียงแต่บรรลุเฉยๆเส้นกิเลสตัดค้ามโลกความโกรธลงได้พระอรหันต์ชนิดที่สามบรรลุแล้ว มีอรฐิยาและรกชาติได้อาหารชนิดที่สามบรรลุแล้วมีมีอิทธิฤทธิปาฏิหารมีโหทูทิพตาทิได้ถ้าอาหารชนิดที่สี่บรรลแล้วมีความสามารถแสดงธรรมได้อย่างฉะฉานอันนี้ก็มีอยูสี่ชนิดด้วยกันนักละกรครับ นั่งสมาธิแล้วมีเสียงดังข้างนอกปรากฏว่าจิตวูบตื่นขึ้นออกจากสมาธิทันทีแล้วก็ไม่สามารถฝืนทําสมาธิต่อได้อีกแบบนี้ปฏิบัติอย่างไรต่อดีครับก็ต้องรู้ถ้าวูบตื่นขึ้นมานี่ก็แสดงว่าหลับก็นั่งหลับเหมือนก็ไม่ไม่สติเรามีน้อยต้องฝึกสติให้มากๆแล้วนั่งแล้วจะไม่จะไม่หลับจะรู้สึกตัวต ล, ดลัดเวลาถ้าเป็นจิตสงบก็จะรู้ว่าจิตสงบ อาจจะไม่มูบไม่มูบหรัอต้องรู้มีสติรู้ส็จตัวตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดมีอะไรปรากฏขึ้นมาถ้ามีสติใจก็จะเฉยๆกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่อเป็นอะไรก็ตามรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปนั่นขาดสติถ้าท่านสมาธิแบบไม่มีสติ ก, ก็จะเป็นแบบนี้คุณชูตุกครับ ลูกสงสัยว่าทําไมสิ่งที่ลูกได้รับฟังธรรมของหลวงพ่อถึงโดนใจถูกใจเป็นสิ่งที่ลูกสงสัยเมื่อฟังหลวงพ่อสอนธรรมหรือตอบคําถามรู้สึกเข้าใจเหมือนลูกโฟงแตกกัางโพกเหมือนแสงสว่างส่องหาของที่กําลังหาลูกเลยสงสัยว่าทําไมหลวงพ่อแสดงธรรมได้อัศจรรย์มากเลยเจ้าคะมันยอา จ, จะถูกเจฉลจกันแค่ได้ครรมที่เราสแสดงมันเกี่ยวกับเฉลทั้งเรามันก็เลยทําให้เราฟังแล้วเข้าใจง่ายบางคนฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจกันได้ นั่นก็อยู่ที่ระดับปัญญาของเราด้วยที่สามารถที่จะรับความรู้ที่เราได้ยินในความนี้ไปยึดครอบพิจารณาจนเกิดความเข้าใจได้หรือไม่คุณสราวุธครับทําไมพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเวลาท่านบรรลุพไปอัตถิท่านจึงเป็นพระธาตุเยอะครับเพราะท่านเป็นพระอาหารเนี่ยถ้าเป็นพระอาหานเวลาตายไปแล้วอัตถิท่านจะกลายเป็นพระธาตุ คุณเบนจะพาครับการนั่งสมาธิควรทำในช่วงเวลาใดที่เหมาะสมถ้าเป็นมือใหม่เจ้าคะทำในชุ่กเวลาที่เราว่างบ้างเมื่อไหร่เฉลี่ยเมื่อไหร่ทำเลยทำที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีอะไรมารบกวนเราสถานที่ที่สงบดีที่สุดแต่ถ้าหาที่สงบไม่ได้สมมตินั่งรถนั่งรถเมล์กลับบ้า น, น, นก็นั่งหลับตาทําสมาธิไปพายนใจก็ได้ คุณโรสครับวันนี้ตอนเย็นหนูเหยียบแมวที่รักที่สุดตายคาที่มองไม่เห็นมันรู้สึกผิดทําอะไรไม่ถูกแมวมันก็ออกมารับเจ้าของด้วยความดีใจแต่เรากลับมองไม่เห็นไปเหยียบมันตอนนี้ร้องไห้เสียใจมากไม่รู้ว่าแมวจะพยาบามเราหรือเปล่าคไม่น่าจะพยาบามนะเพราะมันรู้ว่าเรารักมันมันโก็มาหาเราอันนี้เป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยกันมากกว่าแต่ถ้าเราไปทำปํำพิิิรยาการโกรธเกลียดช่องเนี่ยมันอาจจะเกิดบาการ กดเราก็ได้แต่ถ้าปกติแล้วมันมันรัเรามันมันมาต้อนรับเราแล้วเราไปเหยียบ ม, มันเราเราก็ไม่ได้แสดงกิริยาการว่าเราไปโกดเคืเขาแต่อย่างไรไม่น่าจะเกิดความความความาปัญหาเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ไม่ควรจะไปเสียใจเพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราแทนก็ได้เราจจะเดินไปแล้ว นามไปโชยอะไรเรื่ืืื่งงื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ี่ื่ื่ไ่ื่ม่ เ, มนเน่ืเ่ื่ื่ืว่ว่วาไไ่ื่ยายาื่ื่ื่ืุืุื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ืกื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ืไื่ื่ื่ื่ื่่ื่ื่ื่ื่ื่า่ื่ื่ืรื่ื่ใ่ืบบ่ื่ืสส่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื ก, กื่ื่รรื่ื่ื่่ื่ื่ื่ืื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื หนูภาวนาจนจิตรวมหนูจะสังเกตเวลามีการกระทบจะรู้สึกเหมือนฟ้าแลบตรงกลางหน้าอกพอมีการกระทบไปบ่อยจิตมันก็รู้ทันแล้วก็หายไปมีความเย็นเบาโล่งสบายไม่มีความรู้สึกอะไรปรากฏความคิดก็คิดได้เหมือนเดิมแต่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่คิดแต่หนูเดินลาบากมากค่ะเวลาเดินเหมือนแผ่นดินมันยุบลงไปคับอ น, นก็ไม่ทราบาจะพูดยังไงดีคนระับ ถ้าปฏิบัติไปแล้วก็ดูไปตามความเป็นจริงมันเป็นอะไรก็รับรู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปวิกตกขังวนใันะดูว่ามันเป็นอนิจจังมันหอมไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วกันคุณชัญญาครับควรปฏิบัติอย่างไรให้อยู่กับสิ่งรอบข้างที่เราไม่ชอบและเบื่อมากครับก็เราพยายามฝึกสมาธิให้เกิดใน ข, ขา ถ้าเราไม่เอาเบ็ดขาใจเราจะวางเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้คุณปูเป้ครับพระอาจารย์คะทํ า, าทไมจิตเราเองต้องทะเลาะกันคะบางครั้งหนูเหมือนถือไม้เลียวดูจิตปรบทะเลาะกันกลายเป็นโกรธจิตดูจิตจะไม่ได้โกรธคนอื่นแบบนี้ยังมีความโกรธไหมคะถึงแม้จิตตัวเองไม่เที่ยงค่ะโกรธใครมันก็โกรธเหมือนกันนะโกรธตัวเองก็โกรธคนอื่นนันก็เป็นความโกรธเหมือนกันอ เราต้องให้อภัยกันอยาไปถือโทษป่อยเกันคุณแอ g เ l ิลครับพี่ปุ้ยนะครับถ้าโยมกระทำกุศลกรรมมาบดสุกปการได้แค่ช่วงเวลาสั้นเช่นเพียงพรรษานี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเราลองทำดูเลยผลมันจะบอกในตัวของเราเองคุณดวงตาครับ การบริจาคร่างกายอวัยวะต่างๆได้บุญมครับถ้าทาตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้บุญเนี่ยได้บริจากเลือเพราเรารู้ว่าเราได้บริจาคอะไรไปแล้วเราเก็ความสุขใจที่เกิดจากการบริจาคของของเราไปความสุขใจนี่แหละคือบุญแต่เวลาเราตายไปแล้วเราไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราได้บริจาคอะไรไปให้กับใครบ้าง ใจของเราจะไม่ได้รับโน้ตไม่มีความรู้สึกแตอย่างใดจากการบริจาคอวัยวะต่างๆหลังจากที่เราตายลาแล้วเพราะนั้นอยากจะได้บุญต้อทําตอนที่เรายัางมีชีวิตอยู่ให้บริจาคตาไปข้างหนึ่งหรือบริจาคใจไปข้างหนึ่งให้กับคนที่เรารักหรือที่เราอยากจะบริจาคอย่านี้จะได้บุญเพราะเราเราเห็นกับตาแล้วเรามีความรู้สึกจากการที่เราได้เสียสละของนี้ไปแล้วเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมา ควาสุขใจเนี่ยคือบุญแต่ถ้าเราตายไปแนละ้วเขาจะเอาวิญญาของเราไปให้คนนี้คนนี้เราไม่รู้นะั่นเพราะนั้นเราก็จะไม่ได้บุญเลยคุณดําครับทําไมพุทธศาสนาจึงมีหลายนิกายประเทศไทยมีกี่นิกายและนิกายใดที่สอนตรงตามเทวดาเจ้ามากที่สุดครับความจริงในศาสนาในประเทศไทยที่เรามีนิกายหลักนิกายเดียวก็คืออเอ เขารียกเถรรวาพุทธศาสนานี่มีนิกายใ ห, ใหญ่อยู่สอสองนิกายคือเถรรวาสกับมหายานที่ต่างกันเพราะว่าผู้ปฏิบัติทำคำสอนพระเจ้านี้มีความเห็นที่ไม่ตรงกันบางคนไม่ปฏิบัติอะไรมีการที่ไม่ไม่ตรงกันแต่ความหมายของคําสอนต่างกันไปก็เลยแยกกันไปเป็นเป็นพวกไปแล้ว ในในนิกายใหญ่ๆนี้ก็มีการแตกเปนิกายเล็กๆไปเพราะคนที่อยูนิกายนี้อาจจะมีความคิดความเห็นที่ต่างกันไปก็เลยแยกไปเป็นเป็นเป็นนิกายเลื่ยไปนในมุนไทยเราก็มีมีนิกายเล็กอยู่สองนิกายที่ของเทรวาทที่แยกกันสองคือมหานิกายกับกับธรรมยุทธนิกายคุณปูดครับ โยมนั่งสมาธิและชอบเปิดตำคำสอนหรือการเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพิจารณาตามด้วยแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดกตัวเองเป็นเพราะอะไรขอเรียนถามว่าแบบนี้คือวิปัสสนาใช่หรือไม่ครับมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิปัสสนามันเป็นเพีปัญญาวิปัสสนานี่หมายถึงเราละขันยโยดได้ขัยสดเส็จถึงเรียกว่าวิปัสสนาคุณหมูปเปรี้ยวครับ เมื่อสมัยก่อนหลวงตามาหาบัวได้จับพระป่าช่วยชาติตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แต่ก็รู้สึกซาบซ่าและอยากจะทําบ้างแต่ตอนนั้นยังไม่มีกําลังตอนนี้พอมีกําลังแล้วอยากจะทําบุญได้อานิสงส์งแบบนั้นบ้างก็ต้องทําบุญแบบไหนถึงจะได้อานิสงส์แบบนั้นครับ <c oughs> แบบไหนก็ได้อาบบนิสงส์เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทาําบุญแบบไหนมันอยู่ที่ว่าเราทํามากเราทําน้อยมากกว่าการให้ใี้ให้ให้ใครก็ได้ก็ได้บุญ ได้ความรู้สึกอิ่มใจสุดใจเหมือนกันแต่ว่าอันที่สองที่ท่านพูดถึงนี่มาเป็นการได้ช่วยชาติได้ช่วยชาติถ้าอยากช่วยชาติเราก็ไปรับสมัครเป็นทหารไปสิไปอาสาสมัครเป็นทหารก็ได้รับใช้ชาติก็ยินดีอันที่สองแบบนั้นคุณวรกัญญาครับ กำจัดความโกรธยากจังค่ะมีมาเรื่อยๆมองตัวรู้แต่พอมีอารมณ์โกรธขึ้นมามันก็ดูจิตไม่ได้ความทาอย่างไรดีครับสติยังมีน้อยอยู่ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆพอเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้สติยับยั้งมันได้ได้คำเริศการพุโทโธพุทโธเหนียวเดียวความโกรธก็จะหายไปคุณเที่ยวไปเรื่อยบอกพระาจารย์มีลูกศิษย์ ที่พระสงฆ์พอจะแนะนำอีกไหมครับอันนี้ก็ต้องไปไปพบกับท่านไปศึกษาไปดูท่านกันก่อเพราเราก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แนะนำาขทตงน้พอาเดี๋ยวแยนะนำผิดเราจะเสียชื่ อ, อเราจะโดนด่าโดนว่า <c oughs> คุณเพนเพนครับความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจที่เกิดขึ้นบ่อยๆจะแก้อย่างไรครับลดความอยากนอง คามวนวี้เกิดจากความอยากอยากได้นู่นอยากได้นีความจู้ที่จุดจิกเนี้ยพยายามหัดทำใจให้เป็นสันโดษยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรก็ได้วันนี้จะกินอะไรก็ได้กินคุยเตี๋ยวก็ได้กินข้าวผัดก็ได้กินอะไรก็ได้อาการหิวมันก็จะน้อยหนึ่งคนคนนั้นก็จะทําอะไรก็ได้ทําอย่างนี้ก็ได้ทําอย่างนั้นก็ได้เราก็จะไม่หงุดหงิดกับเขาแต่ถ้าเราไปจู้จี้จุกจิกว่าเขาจะต้องทาอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ พอเขาไม่ทําตามที่เราอยากเราก็จะหนุนหลัคานใจขึ้นมาให้ทําใจให้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดคุณศรีนวันครับการที่สามีไม่ดูแลไม่มบำรุงภรรยาผิดในทางธรรมไหมครับผิดออเพราะเขาเขาไม่การรับผิดชอบในการที่เลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของสามีไม่ทําหน้าที่ของตนไม่เป็นมงคล คุณเอกชัยครับผมใส่บาตรทางออนไลน์โดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดทุกวันแบบนี้ผมได้บุญเท่ากับใส่บาตรหน้าบ้านไหมครับได้ได้เหมือนกันคุณวันทนีครับแม่บ้านทำความสะอาดบ้านเช่นกวาดขยะกวาดใบไม้หญ้าในสนามนำขยะไปทิ้งซึ่งมีโอกาสที่จะไปกวาดโดนมดแมลงต่างๆทำให้ได้รับบัดเจ็บหรือตายเป็นบาปหรือไม่และจะไม่ทางานก็ไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่เจ้าค่ะ ถ้าไม่มีเจตนาไม่มีทํามตั้งใจไม่บาป น, นะไม่เอาเป็นเป็นอุบัติเหตุด้วยคุณแสงดาวครับลูกนั่งสมาธิเงียบๆลูกจะฟุ้งต้องนั่งฟังพระเทศไปด้วยจึงจะมีสมาธิลูกเป็นแบบนี้มานานรู้สึกไม่ก้าวหน้าสักก็เพราะว่าเราไม่ไม่ทําต่อไงเวลาเราฟังเทศแล้วใจสงบพอเราฟังแล้วเราก็นั่งเราก็นั่งต่อไปนั่งอยูนลมต่อไป เบอนเราอาจจะฟุ้งซ่างไม่สามารถมีสติปัญญาดูลงได้ก็ต้องอาศาัยการฟังเทศไปก่อนพอฟังเทศไปเสร็จแล้วใจเริ่มสงบแล้วก็วดูลงต่อไปปิดยึดปิดเทศไม่ต้องฟังเทศแล้วอาหันนั่งนังไม่ต้องฟังเทศอยู่ต่อไปหาไปเราก็จะก้าวหน้าขึ้นไปคุณอู๊ดครับ นั่งสมาธิแล้วดูจิตมันนิ่งสงบเงียบลึกไม่ได้คิดอะไรมีอะไรเกิดก็รู้ทำพุโทโธตลอดแต่ไปไม่ถูกว่าแล้วจะทําอะไรต่อครับมันนิ่งสบายๆนะคะแต่ไม่ได้ไปไหนต่อเลยกับเรียนพระอาจารย์แล้วต้องทํำยังไงต่อครับแล้วแบบนี้เรียกว่าอะไรครับก็พยายามทำให้มันนิ่งไปเรื่อยๆนานๆนั่งไปนานๆนั่งไปเรื่อยๆคุณองหุนเปเรี้ยวครับ การยอมรับในโรคภัยไข้เจ็บเช่นมะเร็งและไม่สนใจที่จะเป็นไปนตามโรคจะเกิดอะไรก็ยอมรับทุกอย่างเรียกว่าใช้อุเบขารักษาโรคใช่ไหมคะใช่ถ้าไวห ว, ยวงยอมรับ ก, กับสภาพว่ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันคุณปุ้ยครับขอโอกาสถามเรื่องการสวดมนต์วดทําให้จิตสงบเมื่อจดจ่อกับบทสวด รู้คำแปลทําให้เราได้กําลังใจในการปฏิบัติดีชอบการแผ่บุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์จะเท่ากับการใส่บาตรจวดน้ําไหมครับอันนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าโดยโดยธรรมเนียมโดยวิธีพระเจ้าส่งสอนท่านอยากจะอุทิศบุญได้อุทิศบุญด้วยการใส่บาตรแตท่านไม่ได้สอนให้เราอุทิศบุญด้วยการไหว้พระศุล ก็เลยม่สามารถจะตอบได้ว่าการชนมนี้จะสามารถอุทิศบุญให้กับผู้ตายได้หรือไม่บุญเดฟครับถ้าทําเราไม่ได้ทําสมาธิแต่เราถือศีลห้าแทนและใส่บาตอยู่เป็นประจําแบบนี้เรามีโอกาสาที่จะค้นอบายได้หรือไม่ครับถ้าเราถืสีลห้าได้เราก็จะพ้นอบายได้ สบาบาสด้วยรักษาสิลห้ามื่อเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ได้พุญที่พิจารณาครับเมื่อทําทานศีลสมาธิสม่ำเสมอแล้วจะทําให้เกิดปัญญาเพื่อไปพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาความเปลี่ยนแปลงธรรมดาต้องยอมรับจากปัญญาที่ได้มาจากการปฏิบัติเท่านั้นถึงได้พ้นทุกข์ได้จริงตามลําดับขัน้นใช่ไหมเจ้าคะนช่ฉันยอมรับความจริงของร่างกายของเราว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วมันจะทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็ถือว่าเราพ้นทุกข์ได้จากการปฏิบัติคุณสัจจพรครับคุณแม่อายุ84นอนติดเตียงหมอบอกสมองเสื่อมแม่จะอะไรได้น้อยมากๆค่ะแต่แม่จำบทสวดอิติปิโสสวดเองบ่อยๆ ย, ยมจะพาจิตแม่ให้อยู่ในบุญไม่คุยเรื่องอื่นค่ะปดที่แนะด้วยครับก็ดีนะให้อยู่ในเรื่องธรรมะเร่างธรรม ท, ท ใ, ใจมันสนุ ถ่านชอบสวนมนต์ก็ชวนท่านสวนมนต์ไปได้เลยคุณจงคนมีครับการที่เราเอาเสื้อผ้าเก่าๆของสามีไปบริจาคแล้วไม่ได้บอกถือว่าเป็นการรักขโมยไหมคะและการนำไปบริจาคครั้งนี้เราจะได้บุญไหมคะถ้าเราไม่ได้ขออนุญาตของก็ถือว่าเราลรักขโมยเข้าใจเว่าถือว่าเป็นของที่อนุญาตจัดไว้ย า, ลงงาแล้วถือวิสาสาเอาไปได้ก็ไม่ไ ม, ไม่บ ก็อยู่ที่ว่ามีข้อตกลงกันว่าอย่างไรถ้ า, ราไม่มีข้อตกลงถืยว่าของใครของมันนี้เราเอาของเข้าไปก็ถือว่าเราที่เราไม่ได้อนุ ญ, ญาตก็เท่ากับเราขโมยของเข้าไปก็จะก็จะเป็นบาปส่วนการเอาของของที่เราข้โมยไปทําบุญเราก็จะได้บุญได้บาปด้วยแต่มันจะไม่คุ้มถือว่าเอาขอ ง, ของเราไปทําบุญในการได้บุญอย่างเดียวไม่ต้องมีบาปมาทดใชด้เนี่ย อย่างโรบินฮูดก็ไม่ได้เขาไม่ข่มก็เท่าเท่าเดิมทํำบาปก็ทําบุญเท่ากันคก็บาปก็มีบุญก็มีนี่ขึ้นอยู่ว่าบุญกับบาปอันั้นมันมีน้ำหนักมากกว่กันถ้ามันเท่ากันมันก็มันก็มันก็เท่ากับศูนคุณบุญยวีครับ แฟนเอาสตางให้ใช้แต่เราเอาไปทําบุญแล้วเราจะได้บุญไหมคะหรือว่าแฟนจะได้ก็เดียวครับแฟนเขาได้บุญตั้งแต่ตอนที่เขาให้เราแล้วาการให้เงินใครเนี่ยมันเป็นการทําบุญแล้วพเพียงแต่เราไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญเท่านัถ้าเราให้โดยที่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเหตุผลใช่ว่าเราไม่ได้เป็นนี่เขาหรือว่ามีหน้าที่เราที่เราจะต้องให้ ข, ของนี้แต่ถ้ามีหน้าที่ท่ต้องเลงอยู่เขานี่ก็ไม่ถือว่าเป็นการทํา ได้เหมือนกับเป็นการจ่ายจ่าเช่นเราไปจ้างเขางามาอยู่กับเราแล้วเราก็ให้เงินเขา่านี้เป็นค่าจ้า ง, างนี่มันก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องให้เงินเขาแล้วเราให้เขานี่นอยากจะให้เขาเพราะเรามีความเมตตาสงสารเขาอยากเขามเมินใช้ถ้าเขาให้อย่างนี้เขาก็จะได้บุญแล้วเราเงินที่เขาให้เรามาเราจะไปทําบุญเราก็ได้ดบุญของเราเอง แล้วถ้าเราเอาเงินที่เราทำบุญไปให้คนที่ที่เราทําและคนนั้นเขาเอาไปทําต่อเขาก็ได้บุญเงินกอนเดียวันเนี้สามารถทําให้เกิดยิ่ได้หลายหลายต่อด้วยกันอาจารย์คำถามสุดท้ายนะครับพุทองุ่นเปรี้ยวครับการจดบันทึกเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันว่าลดความอยากสิ่งใดได้ไดบ้างเขียนเป็นสถิติและเขียนว่าสามารถทําได้กี่เปอร์เซนต์และเขียนเป้าหมายไว้เป็นข้อข้อและมัน ทบวนและเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆอย่างนี้ถือว่าได้เพิ่มกุศลกรรมนะครับไม่ได้เพิ่มหรอแต่ทบทวนแค่รู้ว่าเราได้ทำอะไรมามากน้เพื่อนๆถ้าอยากจะเพิ่มก็ต้องทำให้มากขึ้นพระอานครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ใน f a c e b o o หก4้อยสี่สิบแปดคนนะครับใน y o u ู u หกร้อยสองคนในขคลร์เฮาส์เก้าคนครับ มีเพื่อนเพื่อฟังธรรมด้วยการหมือนพันสองร้อยห้าสิบเก้าคนครับก็ขอสแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้วหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยแนะนําเอาไปปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปทางสแสดงธรรมกางสอนธรรมสําหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแา่เวลาก็ขอให้ท่านจงนดาวเสด่งที่ทานได้ยินได้ฟังไปเพิ่อทีจนะนาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาร อ, อลาคุณหมอแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังทายพงเท่านนี้ถ้าไม่มีเหตุฉัดเขาาด้ามันใดา็คงจะได้เขาเ้าไปถึงในที่น่านเช่อถืขอจเจริญพรกลัขบขอบคุณครับ